พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25กุมภาพันธ์6 0มีชื่อเรื่องว่างานภาวนาเหมือนจูงหมาใส่ฝนดับไฟนี่ก็มีดีสองอย่าง ดีและไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่ดับไฟก้อแมลงมันจะเข้ามาตอมไฟแล้วเรานั่งสมาธิมันหล่นลงมามันมาไต่เราเนี่ยมันก็ลำคาญมันเหมือนกันเพราะเราต้องการความสงบนะไม่ให้แมลงมันบินมาไต่เราแต่ว่าที่ดับไฟไปเลยก่อนไม่ดีอย่างหนึ่งเวลาใครสงบง่วงเหงานอนไม่ได้เห็นว่ะ พอมีแสงสว่างเราจะได้เห็นใครใครง่วงนอนเหงานอนหาวนอนสับประงกกว่า เ, าเมื่อเรานั่งสมาธิจบเรียบร้อยแล้วก็มีหนังสือสามเล่ม น, นะคณะาทาญาติโยมอุหลานเอาไปอ่านเอาไปศึกษาหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อเคยพูดถ้าหากว่าเรา ไม่อ่านหนังสือไม่มีการทบทวนสมองกระทำให้สมองของเราเป็นอัลไซเมอร์สมองฟอได้ง่ายๆเพราะสมองของเราไม่ออกกำลังเพราะนั้นสมองของเราควรจะออกกำลังเหมือนกับกำลังกายนะะเราก็ต้องออกกำลังกายสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุต้องเดินบ้างเดินจงกลมบ้างปัดกวาดอะไรบ้าง ออกกําลังกายหลายๆท่าอันนี้ก็คือทําให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวแต่ทําให้ออกกําลังกายาเลยไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวก็เดินไม่ได้ผังผืดมันติดก้าวไม่ออกอันนี้คือร่างกายแต่สมองของเราก็เหมือนกันแต่ละวันแต่ละเวลาคิดเรื่อยเบื่อไปเลยไม่มิไม่หาจุดจบไม่ได้ ตอนนี้เราก็ต้องอ่านหนังสือจะเป็นอ่านหนังสืออะไรก็ได้แต่หลวงพ่อแนะนำอ่านหนังสือธรรมมากเลยนะพออ่านเป็นหน้าหนึ่งแล้วก็พับไว้แล้วก็นั่งทบทวนดูเออเราอ่านหนังสือผ่านไปแล้วหน้าหนึ่งมีเนื้อหาสาระอะไรในการอ่านเนี่ยให้นั่งทบทวนดูถ้านางทบทวนจำได้พอจำได้อห่อยอ่านหน้าต่อไป ทางว่าทบทวนลิ้นปิดเม็ดจำไม่ได้เลยกลับมาอ่านอีกอ่านกลับมาอ่านอีกพออ่านเสร็จแล้วก็นั่งทบทวนอีกนี่อันนี้เป็นการทบทวนสมองเพื่อม่ให้ความจำของเราเสื่อมเร็วจนเกินไปอันนี้เขาเขาขแนะนำนะพวกเรามันมีเห็นว่าหลายๆคนเป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราเตรียมเตรียมการเตรียมพร้อมเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพื่อไม่ให้ไม่ให้ตังอยู่ในความประมาทถ้าเราไม่ได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์เข้ามานะทานอาหารแล้วก็ว่าไม่ได้ทานผู้ที่อยู่ใกลโอหลับคาเนี่ยเนีมากกว่านั้นก็ เวลาลูกหลานเขามามาเยี่ยมมาเย็น ม, มากับไปฟ้องเขาอีกนีว่าตัวเองไม่ได้กินข้าวบ้านนี้เขาไม่ให้ข้ากินข้าวพวกลูกหลานที่มากับนูเบ้าอีกไม่รู้ว่าอันเซเมอร์น่คืออะไรพอพอได้ยินว่าตายายปู่ย่าตายายไม่ได้กินข้าวโอ้โหทำไมเขาจึงไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ดีถึงขนาดนี้ อ้ที่แท้กินไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วตัวเองจำไม่ได้เดี๋ยละอันนี้เคยมีมาแล้วนะคนนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมเอาไว้ก็ดีนะเพราะพวกเราจะต้องไม่ไม่มีที่อื่นอย่างน้อยก็ให้ช่วยตัวเองได้ถึงจกแก ะ, กะแก่ก็แก่มีคุณภาพตามมากกว่านั้นแก่แแก่ผู้สูงอายุให้มีคุณธรรม ไม่ใช่แก่เปล่านะนี่แหละโวงตาของเรานี่ท่านแนะนำสั่งสอนในคณะสัตยาญาติลูกแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่อาทิตย์ที่ยี่สิบหกเป็นวันทอดปราปาสามัคคีอย่างทุกเดือนที่พวกเราได้ ทำกันมาเดือนหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราก็ทวงกันอย่างวันพุ่งนี่แหละเดือนที่แล้วนะพวกเราก็ทํากันมาแล้วแต่เดือนนี้เราก็เดือนกุมภาเนี่ยแต่เดือนกุมภาปีนี้มันจะมี28หรือ29วันก็ไม่หลพ่อไม่ได้ดูอีกเหมือนกันนะแต่ว่า วันที่26เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่ า, าลงมาคราวนี้หลวงพ่อจุธรรมกับหมู่คณะบอกว่าเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ท่านหลวงพ่อจุธรร ม, มก็บอกว่าท่านเข้าไปกราบเจ้าจประคุณสมเด็จจะเข้าไปถวาย ม, ม, มุทิตาสักการะตามประเพณีท่านกนัดให้เนี่ยนะุกสิทธิลูกหาองค์หลวงตาห๋าบัวนเพราะ น, นั้นวันพนุ่งในตอนบ่ายคณะสงฆ์ของพค์จะเข้าไปกราบคารวะถวายสักการะนะต่อเจ้าพรคุณสมเด็จนะองค์ใหม่เนะพราะท่านก็เคยไปนะทาง เป็นลูกศิษย์เคยไปกราบหลวงตามหาบัวเคยไปกราบหลวงปู่ฝันเคยไปกราบหลวงปู่เขาท่านเจะพระคุณสมเด็จท่านเป็นมหาหนุมสมัยนั้นไปกราบครูบาอาจารย์คนพวกเราก็พ้อยพลอยรู้จักพระองค์ท่านกับครูบาอาจารย์นะที่ท่านไปกราบครูบาอาจารย์งานของหลวงตามหาบัวท่านก็ไปท่าน ไปหลายครั้งก่อนที่จะได้พระราชทานเพลิงสถิจสังขารขององค์หลวงตาพวกเราก็เลยพอรู้จักในพระองค์ท่านนี่แหละวันพรุ่งนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนให้กับสวนแสงธรรมอย่างทุกเดือนที่ผ่านมาเพราะเดือนสวนแสงธรรมของเราก็เป็น สถานที่ขององค์หลวงตาที่ท่านรับเอาไว้จากนั้นเมื่อรับท่านก่ออะไรปฏิสังขรสร้างเสนาสนะขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ท่านก่อทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเลยมาปฏิบัติธรรมนี่แหละก า, วารวารุกหลวงตาไม่รับเอาไว้นะ่พวกเราก็ไม่รู้จะไปน่าสถานที่ใดกับ ไปกระจัดกระจายแต่ในเมื่อหลวงตารับเอาไว้กักลุ่มลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาพวกเราได้มาร่วมมารวมกันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมจากนั้นพวกเราก็ได้หาทุนเพื่อสถานีวิทยุของหลวงตาด้วยเพราะตรงตามีสถานีอย่างพวกเราเห็นนี่นะก็เลยใช้จิตตัตย์ใจข้าหน้าข่าวไฟบํารุงสวนแสนธรรม นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะ <c oughs> วันผู้นี้คณะสงฆ์กับคณะสัทธา ญ, ญาณโยมจะมารวมมาร่วมกันทอดปาป า, ปาอย่างทุกเดือนที่ผ่านผ่านมานะะั่นล่ะพวกเรานับว่าโชคดีเกิดมาทั้งทีไ ด, ทได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง mm hmm. ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาของพวกเราท่านเป็นผู้แนะนำสั่งสอนธรรมะในทางที่ถูกต้องถ้าว่าพวกเราสงสัยข้อใดสงสัยเรื่องอะไรให้พวกเราไปอ่านไปอ่านพบทวนดูแล้วก็ไปฟังดูแนวธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงตานะ่ะ หลวงพ่อเองมั่นใจว่าธรรมเทศนาของหลวงตาหรือแนวความคิดของหลวงตาที่แนะนำสั่งสอนพระลูกพระหลานคณะสัตย า, าติรมไปแนวแถวของพุทธะนะไปแนวแถวของพุทธะให้เราศึกษาดูทางเราผู้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ให้ถามภู้เรียนประยัติธรรมนะถาว่าเราเดินผิดที่ผิดทางนะ กระทำให้เสียเวลาเนินนานเนินช้าเหมือนกันนะทั้งที่เราจะต้องเดินไปสู่มรรคผลเดินไปหาเดินไปประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างคุ้สวนเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอย่างองค์ปู่ขาวนะหลวงปู่ขาวท่านเคยเึ้นปลาลกกับลูกสิษย์คนนะลูกปู่ขานำกองเพลนท่านว่าผมเออ ในครั้งพระพุทธเจ้าผมก็ได้เกิดเกิดในสมัยนะั้นได้พบพระพุทธเจ้าอยูอ่แต่ว่าไปเลื่อมใสกับเป็นลูกศิษย์พระโกา ก, ะโกาลิกพระโกกาลิกเป็นลูกศิษย์ของเทวทัตเลยเ อ, าอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนไปอีกแนวหนึ่งแต่นแต่นี้ตัวเองก็เลยเสียเวลาเเพราะไป เข้ากับอาจารย์ผิดนะก็เลยทําให้ตัวเองไปตกนรกชั่วระยะหนึ่งทันวานเพราะท่านไม่ใช่หัวหน้านะท่านเป็นลูกสมุนนะแอบก็ทําให้เสียเวลาพอมาเกิดมาพบนิชาตินี้ท่านระลึกชาติท่านระลึกชาติร้นหลักได้ต่ว่าเป็นลุกศิษย์ของพรโกกาลิกหลวงปู่เขาสมัยครั้งพุทธกาลนี่แหละอันนี้ธาวันเราเกิดผิดที่ผิดทาง ไม่ได้เกิดกับครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนสัมมาทิธฐนะิเราก็ทำให้เสียเวลาเหมือนกันนะตรงตามไปอีกเหมือนกันพราะมันเรื่องพุทธศาสนาเนะี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเนะนะ่เพราะนั้นเรื่องการศึกษาธรรมะหรือว่าการศึกษาข้อปฏิบัติธรรมหนะลวงพ่อจึงแม่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวง่าย ถ้าจะพูดเรื่องอะไรออกไปก็ต้องอ้างอิงถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสยังไงในพระธรรมคําสอนของพระสาวกเนี่ท่านตรัสยังไงแล้วกัพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หงตานี่ท่านดําเนินอย่างไรมันเข้าไปตามแนวแถวที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแนวธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างวงหลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องสมาธินะเรื่องสมาธิเนี่ยนะเราเรียนปริยัติธรรมได้มหาสามประโยคที่วัดเจดีย์หลวงนักธรรมเอกเราได้นักธรรมเอกด้วยได้มาหารเรียนสามประโยคปีนั้นพอเสร็จแล้วเราก็หนีลาออกในการเรียนหนังสือเราจะหยุดหยุดเรียนหนังสือเราจะ พอปฏิบัติเท่านั้นท่านกนรลบนี้ไม่เรียนไม่เรียนหนังสือทั้งที่ท่านจะเรียนองหลวงตาเนี่จริงจังนะอง์ลวงตาเนี่จริงจังแต่นี้ท่านไม่เอาไม่เอาฝ่ายไม่เอาปริยัตพอเนี่ยคือนักพไบร์ทธรรมเน่ยเรียนถึงนักธรรมเอกกระพอแต่ว่าหมหาป ร, ริญญามันเรียนภาษา ภ า, ภาษาบาลีคำนี้แปลว่ายังไง เ, เรื่องนี้แปลว่ายังไงลักษณะอย่างั้นะแต่หลวงตาพอแล้วละ่ะในมหาป ร, ริยนสามกับนักธรรมเอกจากนั้นท่านก็เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นฟังฟังดูซิหลวงตาเข้าไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นพอไปถึงหลวงปู่มั่นก็สอนมหาถ้าจะมาศึกษา ในภาคปฏิบัติแล้วนะประยั์ที่ท่านได้เรียนมานะ่ยนะมากมายให้ท่านอย่าเอามาอย่าเอามาเปรียบเทียบกับในการปฏิบัติของท่านนะให้ท่านเอาเข้าตู้เข้าหีบใส่กุญแจล็อกไว้เลยอย่าเอามาเปรียบเทียบให้บริกรรมพุทโทเท่านั้นนะให้ภาวนาพุทโทนะ เอาอย่างเดียวเท่านั้นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่งภาวนาเวลาเดินโยกกลเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดลานวัดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโทให้มีสติในการเคลื่อนไวออหวเวลาเดินบินธบาต เ, เดินบินธบัตภาวนาให้มีสติ ขาขวาพทุทธขาซ้ายโทไปเรื่อยภาวนาให้พุทธโทนะเป็นหลักนะนี่แหละอันนี้คือหลวงปู่มั่นสอนหลวงตามหาบัวขั้งแรกท่านวี่เข้าไปอยู่กับหลวงเข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นแต่ทีนี้พวกเรานะเป็นสิษยิญาุสิตธิองหลวงตาให้ฟังเอาไว้นะแต่ทึกจะไม่ได้อย่างหลวงตาก็เถอะแต่ข็พยายามฟังเอาไว้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องหลวงปู่มั่น่ะท่านสอนองหลวงตาของเราท่านสอนอย่างไรจากนั้นหลวงตาท่านก็ได้แนะนำคำสอนของหลวงตามาบอกกล่าวมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกแต่ว่าเราเปรียบเทียบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิจะนอ่าเนี่ยแหละอาจารย์หลวงพ่อยังบอกว่าเมื่อได้ครูบาอาจารย์ของเราแนะนาสังสอนบอกกล่าวให้เราเปรียบเทียบ กับพระธรรมคําสอนของพระพุทธ เ, เจ้าเออพระพุทธเจ้าได้ดจัดสรู้หรือพระพุทธเจ้าในบรรลุได้ดจัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะนะท่านทำอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยพระพุทธเจ้าวันเดือนหกเพนท่านไปนั่งอยู่โคลนต้นโพอ่าตอนหัวค่ำยังไม่ค่ํายังแสงสว่างยังมีอยู่ยังไม่มืดยังยังไม่มืดในเมื่อท่าน หามุมหาที่นั่งนายุโสถยะได้นำายาคาเข้ามามอบให้ท่าน8กํกำมือเนกระทัดท่านก็พูดชัดเจน่อาสนะ ท, ที่นั่งคือยญาคา8กำมือจากนั้นท่านก็เอาย่าคามากเกลี่ยสลับกันแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งบนยาคา น, นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย ตอที่จะนั่งท่านก็หาทำเลทางทิศตะวันออกของต้นโพธิ์ท่านพูดชัดขนาดนัติพอปูอาชนะเสร็จเรียบร้อยปูยาคาเสร็จแล้วท่านขึ้นไปนั่งบนยาคาขาขาข า, ข, า, ข, า, ข, าขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายหันพระพักไปทางทิศตะวันออกกําหนดลมหายใจเข้าโปรดหายใจเข้ารู้หายใจเข้า หายใจออกรั่วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าใครใครจะพูดยังไงใครจะอธิบายยังไงก็พระพุทธเจ้าเป็นหลักบอกลมครูเป็นหลักแต่ท่านก็ไม่ใช่ว่าจะให้แต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวทั้งกองให้กรรมฐานอีกสี่สิบ40ี่สบอย่าง พุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าทำมานุสติระลึกถึงพระธรรมสังคานุสติระลึกถึงพระสงศ์สีลานุสติระลึกถึงศีลของตนเองจารคานุสติระลึกถึงทานนี่แหละท่านไล่ไปจนถึงอาณาปนาณาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติอนุสติสิบจากนั้นท่านก็สอนกับศีลสิบ รวมแล้วคำบริกรรมคาบริกรรมที่จะทำให้จิตใจสงบนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้4นี่อย่างเขาว่า40อย่างคำนี้แต่ยังไม่ยังไม่มียังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะยังมากกว่านั้นอีกอันนี้พอประมาณท่านยกตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างกรรมฐาน40แต่หลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา ท่านก็บอกพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ที่มาถึงเรามาถึงพวกเราท่านบอกว่าท่านเคยปฏิบัติมาแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกมันหลดุดมันหลงมันเผลอได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายมันหลงเงื่อนง่ายให้สำรับกับพุทธโธโดยน้ามหานะนี่ลงตาอาจาลงปู่มันจะบอกลงตามหาบัว ห า, ออรรหายใจออกบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทการบริกรรมกรรมฐานเนี่ยนะให้เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูนะเอาสติจับเอาสติเอาสติเหมือนกับเราไปยืนอยู่ข้างประตูล้วทานั้นนะเวลาคนเข้ามาในบ้านเราก็ไม่ต้องตามคนเข้าไปเวลาคนออกไปเราก็ไม่ต้องตามคนออกไปเราเพียงแต่รู้ว่าคนเข้า แล้วก็รู้ว่าคนออกนี่ก็เหมือนกันเวลาหายใจเข้ามันเข้ามาในท้องไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามถึงปอดไม่ต้องตามถึงนอกท้องรู้ว่ามันผ่านจมูกพอมันผ่านจมูกเข้าไปกับบริกรรมพุทธเวลามันผ่านออกมากับบริกรรมโทพุทโทพุทโทเนี่ยให้มีสติสำปรัช ญ, ญาแต่บางคนบางท่าน พอกำหนดลงมันไม่ไม่รู้มันลงเข้าลมออกเนี่ยเข้าออกยังไงท่านก็ให้กระแทกลมแรงเวลาหายใจเข้าก็แทกแรงแงพด เ, เวลาลหายใจออกกระแทกลมแรงแรงโทร เ, เมื่อเรากระแทกสองสามครั้งนะเราก็รู้ว่าลมกระทบที่ไหนเราก็เอาสติจับจุดตรงนั้ น, นเไม่ให้มันไม่ต้องกำหนดไม่ต้องตามลมเข้ามาในท้อง แล้วก็ไม่ต้องตามลมออกไปทางนอกเพียงแต่ให้รู้ว่าเวลามันลมผ่านเข้ามากับบริกรรมพดเวลาลมผ่านออกไปกับบริกรรมโทอันนี้แหละให้พวกเราคณะจทหายาโจโยมไปฟังเอาไว้อันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่มั่นที่พวกเราเราก็คงได้ยินว่าหลวงปู่มั่นสอนกรรมฐานบริกรรมพดโทเนี่ยความหมายนะ ความหมายของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านรุ่นต่างๆรุ่นเก่าๆอย่างหลวงปู่เทพก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือเจ้าคุณวิริยังมั้งกับหลวงปู่เพ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่หลวงปู่เพ่งท่งานก็เป็นเอามาเพิกเอามาพาดหลายปีแล้วนะแต่หลวงปู่วิริยังนี่ค่ะอายุถึง96จะเข้า97ปีแล้ว อายุมากนะนี่แหละอันนี้ก็คือลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนอกนั้นก็หมดไปแล้วโ ร, โรยไปตามอายุสังขารหลวงตาอายุเก้าสิบแปดปีที่ท่านจากไปนี่แหละแต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังเราก็ได้ศึกษาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยองหลวงตาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั่นเองในพวกเรานะให้ภาวนา แต่ให้ทานให้ทานพวกเราก็ทําอยู่แล้วล่ะนะหลวงกูบาอาจารย์เห็นพวกเราทําทานตามคัณภาพแต่คนที่ไม่มีทานจะเด็ก็ไม่ดีต้องมีการเสียสละแต่อย่าให้มันเกินไปให้รู้จักสถานะของตนเองเออรักษาศีลมีศีลท่าแล้วก็มีศีลอุโบสถรักษาศีลแปดครั้งคราวอันนี้คือครูบาอาจารย์ท่าน แนะนาแต่ให้ภาวนาแต่ศรัทธาญาติโยมโดยมากว่าเรื่องภาวนาเนะี่ยเป็นเรื่องของพระไปเลยแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะเป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท4ในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลตอนเย็นไอ้ตอนบ่ายไอ้ตอนบ่ายหลั่งไหลเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตวันพอฟังแล้วก็ทันกฤษสำเร็จพระ โสดาบันนี่มากที่สุดสําหรับอุบาสกอุบาสิกานะได้สําเร็จพระโสดาบันและก็รักษาศินห้ามีศินห้าประจับกายวาจาของตอนเองแต่โดยมากพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในโดยมากท่านก็ภาวนาได้สําเร็จมากสําเร็จผลเป็นส่วนมากแต่สําหรับครวญญาติโยมเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระเจ้าแล้วก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องตน้นนี่ละ อันนี้พวกเราอย่าไปถือว่าการภาวนาเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราต้องฝึกไว้ในการภาวนาเพราะว่าการภาวนาเป็นอั น, นสูงอั น, นยิ่งใหญ่นะมันไม่ได้เสียสละอะไรไม่ได้ทำอะไรให้ทานนะ่ยทั้งที่มันจะเป็นของอยากพวกเรากลับทำง่ายทำทานนะรักษาศีลญาติขึ้นมาหน่อยเนี่ลนะ่ะเรื่องภาวนานะเหมือนกระจูงหมาใสฝนเลย พลนั่งภาวนาพอขาขวาผลนั่งขัดสมาธิแต่นนะั้นแหะขาขวาทับขาซ้ายเลยมือขวาทับมือซ้ายเลยหาว่าขาววายเลยกิเลสไม่กิเลสมันไม่ต้องการนะนะอะกิเลสมันสู้ครูนะเพราะฉนั้นพวกเราให้รู้นะอันนี้กิเลสหนะลวงตาหมาบัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทะานว่กิเลสนะเพราะฉะนั้นต้องฝืนมันนะต้องฝืนตั้งนาฬิกาใส่เลย เอาเถอจากได้สักสินาทีวันนี้นะเราก็ตั้งขัดสมาธิอลไก็ตั้งนาฬิกา <c oughs> ใหม่ๆเราตั้งนาฬิกานะสู้มันนะแต่พอเรานั่งไปนานๆแล้วไม่ต้องตั้งนาฬิกาเพราะเราไม่ได้ตั้งเราไม่นั่งภาวนาะเอาเวลาใเอาเวลาเอานาทีไม่ใช่เราหวังมกักหวังผลแต่ไม่ใหม่เนี่ยทํามันมันไ ม, นมน่มันสู้มันไม่ได้มันว่าพอนั่งไปหนึ่งนาทีโอ้โหทไมนานนะัก แต่พอลืมตาขึ้นไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงนาทีอีกต่างหากนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันหลอกพวกเราเพราะนั้นตั้งนาฬิกาใส่เลยพอตั้งนาฬิกาข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาคราวนี้สักสินาทีเรา น, นั่งอย่างอื่นเรานั่งดูโทรทัศน์นั่งพูดโทรศัพท์อย่างนานนานกว่านั้นอีกแต่ทำไมเราประกอบคุณงามความดี เราสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจทําไมจมึงมันทาไมจึงออกไปทางไม่สู้อย่างนี้เนี่ยทนที่การนั่งภาวนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในการภาวนาแต่ทำไมใจของเราจึงไม่สู้มันเพราะอะไรเราต้องสู้ เราต้องเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนไงล่ะตั้งนาฬิกาเส ด, ด็จพุทธองคพุทธเจ้าพอเราสู้ไปหลายครั้งต่อไร้ผลนะต่อไปเราเอาชนะมันได้นะเสพอนั่งได้สินาทีต่อไปก็ยี่นาทีอ่ต่อไปก็สามนาทีทั้งนั้นพอนั่งไปเราโอ้เนี่ขาดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นั่งภาวนาเหมือนกัน ขาดอันไรอันใด อ, อยู่ในตัวของเราต้องให้ได้นั่งภาวนาแต่ละวันนี่แหละมันเป็นนิสัยแต่ติดเป็นอุปนิสยัยมันมีความสุขในใจลึกๆลกๆเน่ในการนั่งภาวนาพอต่อไปนี่เรได้ริมรถแห่งความสงบพอนั่งไปภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตใจรวมสงบ่จิตใจเน่งมีความสุขนี่แหละพอถึงขั้นนั้นแล้วว่า นัตติสัตติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะเป็นจุดนั้นนะพวกเราพันธสัตย์ไญาติโยมนะพ่อจิตใจผ่านความสงบจุดนั้นแหละเชื่อมั่นในตนเองเลยทีนี้เชื่อมั่นในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าโอ้ทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเออที่ท่านให้ภาวนาเนี่ยโอ้มีความสุขจริงเออไม่มีความสุขใดที่ เหนือไปกดกว่าจิตสงบนะเอเมื่อจิตสงบแล้วเสดงมันไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นสมันรู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากว่าเนร่างกายของเราตัวของเราเนี่ยตายแล้วเกิดด้ตายแล้วสูญเนี่ยมันรู้ไปถึงขนาดนั้นอีกได้แสไม่ถึงพระโสดาพะอริยบุคคลพระอริยบุคคลนั้ น, น, นเรียว่าเลิศประเสริฐละทจะรู้ได้แต่ขนาดเพียงจิตสงบนะ จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นจิตนิ่งเท่านั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายเห็นได้ชัดร่างกายเหมือนกับรถที่หลวงพ่อได้พูดไปที่ไหนหลวงพ่อก็พูดร่างกายเหมือนกับรถนะรูปหลานะะนะสทศทาย ญ, ญาติโยม่ะจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับคนต้องขับรถรถจึงไปได้นี่นหะร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถนะ จิตใจเหมือนโชเฟอร์รถนะแต่พระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญโชเฟอร์รถมากกว่ารถเออเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเออมันจะไปได้ดีก็ต้องอาศัยคนขับถ้าคนขับเกเรเออคนขับนิสัยไม่ดีนิสัยโมโหโกธานิสัยเห็นแก่ตัวนิสัยไม่ฟังคําใครพอขับรถขึ้นไปเลยบีบแกดัด ด่ากาันแต่มันคืออะไรคือปากไงปากมันด่าเ อ, อ่เพราะใจของเราเนยปล่อยทางปากมันด่าคนเ อ, อจากนั้นก็โมหโหคนเหยียบหมูหมากาไก่ไปเรื่อยถ้าใครไม่ดีกันหนดโมโหขึ้นวะไปเตะไปต่อยไปทําร้ายทาลายเขาอีกต่างหากเพราะอะไรนี่แหละเนออ่ใจตรงนั้นไม่ได้รับการอบรมใจตรงนั้นเป็นนักเลงใจคนนั้นไม่มีศีลมีธรรม ใจดวงนั้นไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมนี่นแหละสัวใจดวงนั้นมันโนตัวนั้นควรจะได้รับการอบรมควรจะเอาศีลเอาธรรมเข้าไปนี่นแหละขอให้พวกเราคณะสัทยาติยมนะการที่มาวันนี้ก็เหมือนกันมาวัดสวนแสงธรรมวันนี้พวกเราได้ไหว้พระก็เป็นการตร่มจิตใจให้อยู่ในความสงบ การไหว้าาพระนี่ยก็ไม่ใช่อย่างอื่นนะถ้าว่าคนไม่มีสมาธิมันทําวัดชนหน้าชนหลังตําหน้าตําหลังไปเรื่อยละ่ะแต่ถ้าว่าคนมีสมาธนะิเวลานั่งสวดมนต์จิตใจมันแน่ง่ยอมันจะสวดไปตามคล้ายๆเป็นการบริกรรมเป็นการบริกรรมกรรมฐานอีกแนวงเดินเวลาเราสวดมนต์ เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่ได้ปฏิเสธนะ <c oughs> เรื่องการสวดมนต์เป็นการภาวนาอีกแนวนึ่งแต่จะให้เหมือนกับการภาวนาทำจิตใจให้นิ่งสงบมันก็ไม่เหมือนแต่ก็เป็นแนวทางทางว่าพวกเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วหยุดในการไหว้พระสวดมนต์นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละ จิตใจของพวกเราจะได้รับความสงบเยือกเย็นเราขอให้พวกเราทุกทนน่านนะให้ฝึกเรื่องสมาธิมันมีประโยชน์นานเท่านานทีเดียวในเมื่อเราเก็บไข้ได้ป่วยนะเราไปอยู่ในห้องไอซตามลำพังถ้าคนไม่เคยนั่งภาวนาไม่เคยปฏิบัติเนะี่ยพอไปนั่งไปอยู่ในสภาพเช่นนะั้นหมดกำลังใจนะใจิตใจมันว้าเห ว, ว่า ทำไมลูกหลานไม่มาเยี่ยมมาเยียนเราทําไมปาปล่อยให้เราอยู่อย่างนี้เนี่ยพราะอะไก็พราะหมอเขาไม่ให้เขาเยี่ยมจะทํำยังไงลูกหลานก็จะเข้าไปอยู่อยู่แต่หมอเขาไม่ให้เข้าไปตัวเองกันไม่เคยฝึกหัดไม่เคยภาวนามา ก, ก่อนไปถึงช่วงนั้นแลหละจิตใจว้าวีอ้างวางทุกอย่างมากไปเลยมันุไปข้างหน้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกพอลมหมดลมหายใจเข้า หายใจออกเท่านั้นะไม่รู้จะไปทางไหน hey, mm hmm. มันพี่ตกกังวลนะแต่ถ้าบอกคนภาวนาฝึกหัดเรื่องภาวนาเอ า, าคิดไว้ในใจอีกสักวันหนึ่งอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องหนีจากพี่จากน้องจากลูกจากหลานจากครูบาอาจารย์จะไปตามลําพังอีกสักวันหนึ่งเราคิดไว้ในใจเวลานั่งภาวนาทีแ ล, แล้วเราคิดไว้ในใจซะ ก, ก่อนคิดถึงมรณะเม มันละนงเมย์ระวิสติถ้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหลี่นีิออกจากโลกอีกสักวันหนึ่งเราจะไปตามลำพังนะ เ, เราจะไม่เอาใครใครไปด้วยนะถึงคราวเช่นนั้นนะนี่แหละเราก็ภาวนาดูอยู่จากนั้นนะ เ, เราคิดไว้ในใจนถ้าว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหนานมันจะวิ่งพุเข้าไปหาจุดนั้นทันทีแหะ ข่าวขับขันเช่นนั้นจะมีประโยชน์นะการภาวนาการภาวนาจะมีประโยชน์เพราะมันเรื่องจิตใจนะเลยมมันมันทุกข์แต่มันไม่ใช่อย่างอื่นทุกข์นะใจมันทุกข์นะที่มันเรา เ, เป็นทุกข์เป็นร้อนคือจิตใจมันทุกข์นะเพราะนั้นเมื่อเราเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเอาหลักเหตุผลเข้าสู่จิตใจนะที่พูดให้ฟังเนะี่ย เราไม่ใช่อื่นไกลนะเอาหลักเหตุผลคือถูกต้องเป็นธรรมเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันเป็นอย่างอื่นนี่แหละถ้าพวกเราทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นได้นี่แหละความสุขจิตในจิตใจนะในลึกๆนะเราจะรู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่พบมันไปเป็นตามสภาพ จะว่าอย่างไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะไม่ไปเลยเถึงจะมั่งมีสีสุกเกินคำทรัพย์สมบัติลูกหลานมากมายขนาดไหนก็เถอะทิ้งทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้ เ, เราต้องคิดไว้มรณ ะ, ะ, ม ะ, ะเมรณะเมผวิจิติคํานี้นี่แหละอันนี้คือเราศึกษาธรรมะนะศึกษาธรรมนะศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษา ในทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละหลวงพ่อจะแจกหนังสือธรรมะให้พี่ อ, อ่านดูนะมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดมีที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยที่อยู่ในหนังสือธรรมะเนี่ยไม่เล่มใดก็เล่มหนึ่งมันต้องมีเกือบทุกเล่มเลยเคือสอนให้ใช้ปัญญาคําเนี่ยให้มีสติให้มีปัญญาให้รู้จักเอาตัวรอด แต่หลวงพ่อสอนแนะนำบอกแล้วหลวงพ่อเป็นผู้บอกกล่าวหนะลวงพ่อก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรแนะ่เพียงแต่ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นสมบัติของพวกเราหนะลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนกับการได้ของพวกเราพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดหลวงพ่อเองตั้งแต่บวชมากับศึกษากับ ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนเมื่อสั่งสอนแล้วท่านได้อะไรท่านก็ไม่ได้อะไรท่านก็ไปตามเรื่องของเราเราได้มาแล้วคนออะไรได้มาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจากนั้นเราก็สอนต่ อ, อเอเราก็ได้เราก็ไม่ได้อะไรอีก เ, อเป็นสอนกันเป็นทอดๆกันว่ารู้จักพระคุณนะถ้าว่าได้มาได้ศึกษาธรรมะแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วไม่พูดไม่สอนต่อ ทั้งที่พอจะสนแนะนำสั่งสอนได้อยู่ไม่บอกไม่กล่าวอันนั้นแปลว่าเราไม่ขยายผลที่หลักธรรมคำสอนของพุทธะแปลว่าไม่ได้ทบแทนไม่ได้ทบแทนตัวเองได้มาอย่างไรเพราะเองตัวเองได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พ, พ่อแม่ครูบา อ, อาจารย์แนะนำสั่งสอนเมื่อเราได้รู้ธรรมคำสอนแล้วเราก็บอกกล่าวต่อพระเอก เนี่นะพุทธาศาสนาก็ยืดยาวไปเรื่อยๆแต่โลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุกเพราะคนมีธรรมะเข้าสู่ จ, จิตใจนั้นขอให้พวกเราคณะจัตต า, า, า ญ, ญาติโยมทุกคนเนอะเรื่องภาวนาเลยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกจะต้องฝึกฝนเอาไว้เรื่องภาวนาแต่หลวงพ่อเองเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ตำเนิ น, นะจัท า, า ญ, ญาติโยมระหว่า เอาเนอไดขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะเรื่องทานเรื่องศีล น, นะแต่เรื่องภาวนาหลวงอเองอยากจะแนะนำให้พวกเรานั่งภาวนาหาโอกาสว่างๆวันไหนหอยู่ตามลำพังอยู่ในห้องแอร์เรืก อ, อยู่ในห้องพระนะแต่ห้องพระเราจะเป็นจุดเทียนนะมันมีควันเทียนไม่มีควันทุกไม่ดีหรอก อ, อันตรายต่อสุขภาพอีกเราเป็นต้องจุดบูชาในใจก็พอแล้วกราบคารวานะ น้อมลำดึกถึงนี่แหละเป็นการอามิจูปูชาปฏิบัติบูชาจากนั้นกานั่งภาวนาตั้งขัตสมาธิถ้านั่งขัตสมาธิไม่ได้ตั่งเก้าอี้ก็ได้อหรือนั่งพับเขียบก็ได้อแต่อย่าไป น, นอนถ้านอ น, น, อนมันหลับหลับเร็วเกินไปเราจะท้านั่งถ้าเป็นไปได้เรานั่งอย่าไปพิงทำไม่ทำ ถ, ถ้าไม่จําเป็นนะเรานั่งกลางห้องนะ ผลนั่งขัดสมาธิแบพุทโธพุทโธถ้ามันปวดก็อดขันติคือความอดทนแต่ถ้าอดอลาหลายครั้งอดอต่อไปมันจะเคยชินต่อไปก็จิตใจเขาสู่ความสงบได้มอถึงได้รับความสงบแล้วมันขยันเองเหมือนกับเด็กน้อยเด็กนักเรียน ให้ไปเรียนหนังสือใหม่ๆเห็นวันแรกพี่พาไปมันก็คงอยากจะไปฮะเคิดว่ามันจะสนุกพอไปถึงโรงเรียนแต่แต่แต่เออมีตะร้องให้ทีนี้วันต่อไปไม่อยากจะไปเลยเราทำยังไงพ่อแม่ถึงจะไม่อยากจะไปก็ต้องเอาพี่เลี้ยงไปส่งเข้าไปเพื่อเรียนหนังสือถ้าเด็กไม่เรียนหนังสือเป็นยังไงมันก็โง่จะไ้มันไม่ฉลาดมันไม่รู้น่ะันต้องส่งไปเรียนหนังสือ ในเมื่อไปเรีนทั้งสือเท่าน้พอมันติดนะติดมู่ติดเพื่อนได้ความรู้ในการเรียนท่านั้นพ่อแม่บอกเลยโอยลูกไว้วันนี้พ่อแม่จะไปทุกร้านะให้หยุดซะก่อนโอ้โหลองให้เลยพ่อให้เลยพ่อว่ามันเห็นผลกลัวจะไม่ทานคนอื่นเขาเนะนี่หละ่ะอันนี้คือการภาวนาของเราฝรักษณะอย่างนั้นนะศทธา ญ, ญาติโยมใหม่มๆคนนั้นนะใหม่ๆกัน วังครับหนึ่งเหมือนจูงหมาใส่ฝนอย่างที่ว่าเนี่ยพอฝนตกลอ ง, ลองเขาเอาจูงหมาใช่ไหมมันมีสีขามันยันมันไม่มั น, ม, นมันกลัวฝนใช่ไหมละ่ะเออแต่แตอนนี้พอเราฝึกได้แล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบไปแล้วโอไม่ต้องจูงยากแบบรกัะนะเอเดินดุยเข้าไปเลยแะทําจิตใจให้สงบมีความสุขโอ้ณฐิสันติปรังสุขขัง ในที่พระพุทธเจ้าที่ทัดตัดไว้เนละโอ้ถูกต้องยอมรับน้อมรับนี่นะให้พวกเราฟังแล้วกับนำไปปฏิบัติแต่หลวงพ่อก็เคยแนะนําบอกกล่าวคณะสัตยาญาติโยมเมื่อวานเมืม่มอค่ำหลวงพ่อไปบอกที่บริษัททีโอทีนะขรรโมดไปแสดงทําทีโอทีหลวงพ่อพ่อแนะนําการภาวนาแตบแบบพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้า บริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทหลวงปู่มั่นท่านสอนแต่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนให้บริกรรมพุทโทรแต่หลวงพ่อขอแนะนำอีกแนวหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมหน้าพอนั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ ถ้าเราเพราวาพุโทโธพุโทโธมันจิตใจมันออกบลอกแว็กให้ให้ทดลองนับดูนะให้พทดลองนับดูจะเห็นได้ชัดเห็นได้เล็อีกตหกอย่างว่าจิตใจของเรามันเป็นลักษณะอย่างไรจิตใจจู่จิตใจนิ่งจิตใจมัน เ, เป็นอย่างไงหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับไปเรื่อยแต่ถ้ามันเผลออย่าไปนับต่อนะถ้ามันเผลอเผลอยังไง มันเผลอบางทีนับเป็นถึงยี่สิบอีกต่างหาบางทีนับไม่ถึง10อีกต่างหากนะหายใจเข้านับ1มันเป็นเลขคี้จะมันนั่นหนหายใจออกเป็นเลขคู่2หายใจเข้าเป็นเลขคี้สหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่มันเผลอพอมันเผลอมันเบื่อซะหน่อยนะมันคู่คี้นี่แ่เนียไม่ใช่คี่คู่นะคู่คี้ เพามันคู่ขี้ขึ้นมาเอามัตายเอเ อ, เอมันนับผิดเลยเนี่ยเออมันหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี้ เ, เออมันข้ามขั้นเอากลับมาหาเลขหนึ่งไหมเ อ, เอ็กเออเราจะเรียนรู้มันว่ามันเผลออย่างไรถัดไปก็ตั้งใจใหม่อีกตั้งให้เข้มแข็งอีกหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่ถ้ามันไม่เผลอถึงร้อยนะแปลว่าเรา ใจของเรามีสมาธิหรือว่าใจของเราอยู่กับกรรมฐาน1นาทีกว่ า, กวาเกือบสองนาทีนะ เ, เรานับถึงร้อยเนี่ยนะาจากนั้นนับอีกห้าเจดเที่ยวกแปเที่ยบสิบเที่ยวมันไม่เพลินถึงร้อยทุกครั้งจากนั้นจะค่อยปล่อยแล้วก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเลยพุทโทพุทโทดทดลองหูนะให้พวกเราศรัทายญาติโยม ไปทดลองออกจากวัดหลวงพ่อกลับไปถึงบ้านเอาเลยวะ <c oughs> นั่ะนั่งดูสิมันจริงไหมวะห <c oughs> ลวงพ่อเนี่ยมั่นใจเกินร้อยนะลูกหลานนะที่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวไปนี่นะเอมันถึงบางทีนะับไปถึง2ี่สิบเดสามไปมันเผลอได้ยังไงเอ๊ะแต่ก่อนเราก็ไม่ได้สังเกตถึงขนาดนี้แต่พ่อได้ยินได้ฟังไ้ได้นำไปปฏิบัติโอชัยมันเผลอได้จริงๆริะ โอ้อ น, นี่เด็ดเป็นว่าอันเซเบอร์มันจะมาเยือนมันมาเยือนลักษณะนี้จริงๆนะแต่น้แตตั้งท่าใหม่ตั้งหลักใหม่พอตั้งหลักใหม่ขึ้นมาที่นี้นะนับถึงร้อยเออมั่นใจเลยมั่นใจในตัวของเราเพรานันขอให้พวกเราพวทุกท่านนะนะวิธีการภาวนาและพิธีเดินจงกรมก็เหมือนกันบางทีสั้นเจ้าขนาดได้เดินจงกรม ประมาณเทาเรากำหนดประมาณ10บด้วยี่ด้วยประมาณนี่ละทางเดินงกรบแต่ว่าถ้าไม่เดินถ้าไม่ยาวขนาดเดินไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่มีภิกษุณีท่านหนึ่งมีภิกษุณีท่านหนึ่งเป็นเป็นคนมีอันจะกิกินเป็นคนรวยแต่มีลูกหลายคนมีลูกหลายคนพอลูกขึ้นมาเลยมาเลี้ยงลูก พอลูกไปแต่งงานท่านั้นต่างได้ต่างมีครอบครัวลูกแต่งงานมีครอบครัวพวกนั้นเขาตั้งที่จะหาเลี้ยงตัวเองหันมาแย่งมรดกจากแม่ที่เงินแม่หาไว้คนนั้นก็จะได้คนนี้คนนี้ก็จะได้เท่านั้นโอตายตายตายพิษุณีแก่แม่พูกแก่ๆโอไม่ไหวละกูลาคาญกันลูกทั้งที่มันจะหาเลี้ยงตัวเอง มันกลับมาแย่งที่เรากลับหาไว้ให้เนี่ยเราก็ไม่ให้เราก็จะให้เขาอยู่แล้วแต่มันมาดูมันนากเกรียดมันมาแย่งมรดกแบบขอแบบเออแบบทาไมให้ก็จะแย่งเอาลักษณะอย่างนั้นลนะลูกหลายคนใครๆก็กลัวจะไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแต่อลไก็เออเอาสูเอาแบงก์ก็เลยข้าไม่เอาแล้วคาไม่ยุ่งเดี๋ยวาจะไปบวชละ ภิกษุณีแก่แต่เนี่ท่านเลยไปบวชบ้าทิ้งหมดเลยอาสุแท้แต่เขาจิบแบ่งแยกกันเอาสุแท้แต่มอบให้เขาไปเลยจากนั้นก็ท่านกับไปเป็นภิกษุณีอยู่ในสำนักของนางโคตมีจากนั้นเป็นคนแก่ใช่ไหมนะกลางคืนมันก็ไม่มีไฟฉายไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้นะท่านก่อนเนี่ยเอามือเกาะต้นเสาก่ น, คน ต้นเสากลางศาลานะ่ยมีคนมีต้นเสาอยู่กลางศาลาเนะท่านเอามือขวาเนี่ยเกาะต้นเสาท่านก็เดินรอบต้นเสานะเดินรอบต้นเสาเพื่อเปลี่ยนอริยบทเพื่อภาวนาให้มีสติในการในการเดินเนกาะต้นเสานะเดินรอบต้นเสาเดินเดินเดินนี่แหะถ้าจะว่าทางใดถึงกรมใช้เมันยาว ย0่สเมตรอย่างนั้นใช่ไหมก็ได้อันนั้นคือกฎเกณฑ์แต่ท่านไม่มีอะไรทำไงถ้าไม่มีกันเห็นพิกนางพิกสุนีแก่เนะี่ยท่านก็เอามือเกาะต้นเสาแล้วก็เดินรอบต้นเสารประทักศิลเดินเวียนขวานะเออเอามือขวาเกาะต้นเสาแล้วก็เดินเออท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอราหารันต์นะพิกสุนีแก่นี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราผู้ฝุกทันนะในกการประพฤติปฏิบัติ ไม่ไดอยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ว่าหญิงไม่ได้ว่าชายถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติแล้วถึงมรรคถึงผลได้ทุกคนนะพพเพราะนั้นคอยโค้งลงปฏิปฏิบัติเนี่ภาวนาเนี่อย่ามาเวียนไหวาตายเกิดที่ในวัตาสงสารเห็นไหมไม่ว่าพระไม่ว่าคนทะเลาะ ก, กันมันดูแล้วมันไม่น่าดูแล้นะการทะเลาะพิวาทกันจะทํำยังไงล่ะเรื่องทิฏฐิม า, น, านะเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้าง เขาไปหากันแล้วกันนะใหมันดูดูแล้วมิเท่าจะว่าอย่างไงนะอถ้าจะว่าเป็นหมูเป็นหมา ก, กับเหมือนกับดูถูกมนุษย์เกินไปถ้าไม่พูดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรงนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามาเกิดในดีที่สุดถ้ามาเกิดในวัฏฏสงสารไม่พบใรก็ต้องชาติหนึ่งละ่ะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ต้องเจอต้องพบแน่นอนเพราะฉะนั้นศึกษาในธรรมคําสอนของพุทธะจ้ะ อย่ามาเกิดละกิเลสตัดกิเลสชำระกิเลสภายในใจเป็นพระอรหันต์จบไเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเตัดกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าว่ากิเลสในราคะโทสะโมหะยังอยู่ในจิตใจข่าจะต้องบกปนเวียนมาเกิดนี่แหละอย่างที่เราเราเห็นเหตุน ใ, นใครก็ว่าใครถูกใครๆก็ไม่อยากว่าผิดนะมีแต่ว่าถูก แต่ว่ามันถูกถูกหรือผิดนะใครก็รู้แก่ใจนะแต่ว่าทิฏฐิตัวนี้นอะมันไม่ยอมใครเนพะราะนั่นกอให้พวกเราฝึกหัดนะฝึกฝึกหัดอยากยอมรับความเป็นจริงยอมรับเพตุผลมันผิดกว่าผิดมันถูกก็ว่าถูกนะแล้วก็ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเนอะเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิสักชั่วระยะหนึ่งนะ จากนั้นยังคอยเลิกลากันหลวงพ่อคงไม่เห็นนั่ง น, นานหรอกช่วงระยะหนึ่งมาทั้งทีแเราควรจะฝึกขัดในการนั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นปั่นมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูซะก่อนนะไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ได้นําสั่งสอนนะพอนั่งขัดสมาเสร็จที่แล้ว ปนมือขึ้นระหว่างอกไหวพระพุทธเจ้าสุกอนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงองบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทธโธไม่ให้มันเผลอนะนะ <c oughs> อ้าวทีนี้ตื่นว่าใครจะนับอย่างที่หลงพ่อ บอกกล่าวก็ได้นะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจอใจอกนับสองก็ได้นะเอาตอนนี้ไปหยุดพะนะูดแล้วนั่งนี่นะถูกหลานจะตายแช่โจมนะ